พายปจับปกรุงเทพผาใบา่าเล็บเสียแดงนองไม่เชื่อในคำพีแรงใส่เกรือกเสียแพงคู่ตั้งห้องรอยอยู่กรุงเทพนึกว่ามันร้อยกลับมาหุงหอช มันร้อย อ, อกเจ้ากลับมาหน้าตาสีเซียวแลบดีเย่าก็ถูกเขาหลอกใครทำให้ท้องโตเท่าพ่ชาติไม่หอกมันช่างสมนานาน้องบอกดัวแล้วทรุงเทพพี่จ๋าไม่เชื่อพี่ว่าชา มันร้อยออกเหี will, Finanz, form, ้วเห้วมันส้มน้ำน้าเตือนว่าไม่เชื่อสักทีพอเขาทำให้น้ำตาตกซาบานสาบุดพอแล้วพอทีที่แรกไปห้ามมองบ่อไม่โยกกลับมาท้องโตโอโโอโโอโโอโโอโโอโโอโโอโ จะกลับมาทำไมกันเล่าคนเข้าเลือกันทางบ้าเตือนตอนแรกว่าผีฮกพอลูกเจ้าบอกว่าเชื่อทุกอย่างไปเธอไปไม่ต้องกลับมาบางพอกเมืองฝา ทำเจ้าแซบอกเหี้ยวเห้วมันต้อมนานนาเตือนว่าไม่เชื่อสักที แรกไม่ห้ามน้องก็ไม่โยกกลับมาท้องตูชามันร้อยออกจะกลับมาทำไมกันเล่าคนเข้าเลือกันทง เชื่อทุกอย่างไต้เธอไต้ไม่ต้องกลับมาปางเกาเมืองฟ้าทำเจ้าแสบ อ, อก